ปีนี้ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนนี่แต่วันเวลาเหมือนกันลักษณะสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันน้ำฝนน้อยกว่าปีก่อนนี่ปีนี้จะวิกฤตน้ำทั่วประเทศปีนี้หน้าแรกนี่ปีหน้านี่ห้าหกนี่น้ำในเขือนหลายเกือนไม่มีนม้ำ ลำตะคลองอาจจะแห้งก็ได้โพราชจะมีปัญหาเรื่องน้ำหลายหลายจังหวัดทั่วประเทศจะมีกินเรื่องน้ำในรอบสิบเจ็ดปีทั้งท่วมทั้งเลงเกิน อ, อะไรขึ้นแล้วตอนนี้ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั่วโลก ก็ต้องปรับตัวเตรียมน้ำก่อนแงแล้วก็มีอะไรที่ควนเตรียงก็เตรียมแล้วตั้งแต่แ บ, บัดนี้นี่ยังเห็นน้ำไหลอยู่ถ้ามีโอกาสปิดไว้ก็ดีให้สะข้างบนมันมันตุ้นไว้ถ้ามีโอกาสก็ปิดปิดได้แล้วเพราะว่า น้าน้านี่อันตรายมากก็น้าแห้งเลยจะโตไม่รว้จะเป็นยังไงหลายบ้านหลายเมือง <c oughs> ไปตื่นหน้าเพียงวันเดียวก็ไม่ไม่รอดตข้าวอดไดยเจือวันเดียว น้ำเนี่ยวันเดียวก็ไม่รอดแล้วขาดน้ำก็ตายนี่ อ, อไรที่เป็นแนวร่วมให้มากขึ้นให้ธรรมะมากขึ้นใจดีมากขึ้นมีสติมากขึ้นอดทนมากขึ้นขยันมากขึ้นประหยัดมากขึ้นขอเกา อ่อนใช้เงินใช้ทองใช้ปัจจัยประหยามากขึ้นอดทนมากขึ้นขยันมากขึ้นแช่งกับความหมายน้าของโลกต้องมาปรับตัวต้องมาปรับตัวของเราเองทุกคนอย่าสุรุ่ยสุล่ายรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี ตัเราตัวเขาตัวคนอื่นออกกำลังกายสม่บเสมอมีสติให้มากกว่าเกา่าสันอาหารที่เป็นผลผลิตให้มากขึ้นสันเนื้อลดเนื้อลงเรื่องดื่มที่สูกกำลังลดลง ก่อนจะหันที่มีประโยชน์เตรียมร้ายเตรียมใจเตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแตงเตรียมน้ำก่อน้างเตรียมแบงกก่อนเดินวบราณท่านว่า ต่อไปก็รับพรแแล้วพระสงฆ์ทักฟวงให้พรญาติชมรับพรสืบทอไป